กนะ็ผู้ที่มีศรั ท, ทธาในตถาคตก็นะจะรู้สึกว่าเม euh, ื่อมีคนมาศรัทธาพระตถาคตด้วยการที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้คำของพระองค์นะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีความปรับปลื้มนะมีความยินดีมีความซาบซึ้งใจนะว่ามีผู้ที่ รู้ตามเห็นตามเดินตามเห็นความสำคัญในคำพูดของพระองค์นะที่เรียกว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะที่ทุกคนต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้นะเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่รู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะได้เข้าถึงความพ้นทุกได้จริง ก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีใหม่มะหเขาใหม่ทางนี้นี้ก็จะเขโากาดครับก็ อยากจะขออนุโมทนาและก็สันเสริญในการที่พระจารย์ได้นำคำตรัสของพระพุทธองค์มาบอกเล่าให้ฟังครับแล้วก็การที่เราบวช2เดือนที่ผ่านมาแล้วออกไปทำกิจการข้างนอ ก, นอกได้มีภัทธะกระทบครับสังเกตตัวเองว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงมากอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตครับคือมีภัทธศักโราคะโมหะมากระทบปุ๊บสามารถดับได้จริง แล้วเห็นว่าดับไปต่อหน้าต่อตาได้เพราะการแค่เราทาอาณาปณาสติให้สม่าเสมอครับ uh huh. แล้วก็รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะเจอผัทรศอะไรแล้วเนี่ย uh huh. จะไม่ทำให้เราสามารถที่จะเกิดเป็นอารมณ์ที่จะกระทำกรรมอะไรที่มันหนักหนาได้ uh huh. ก็เลยอยากจะกล่าวสรรเสริญอนุโมทนากับพระอาจารย์แล้วก็ uh huh. ขอยืนยันว่าทำได้จริง uh huh. แล้วไม่ยากเลยครับ uh huh. แค่สองเดือนที่ผ่านมา uh huh. สั้นๆก็ได้ผลเลย อ่ดีก็พย<อ>ายามทําต่อไปเรื่อยๆนะก็ดีเนี่ยถ้าเร า, เ, าเข้ามาแล้วแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะจะได้ผลเห็นผลนะก เ, เพียงแค่มีศรัทธาในพระสัสดาแล้วก็ นำคําสอนไปปฏิบัติตรงๆงไม่ต้องแต่งเติมเสริมต่ออะไรนะมันก็ได้ผลแล้วนะเพราะพระองค์คําตัดของพระองค์นั้นก็ได้เรียงร้อยมาเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคํำกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวนหน้าที่พวกเราก็คือพยายามฟังหนึ่งเนืองให้ทรงจําได้ให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็เข้าใจ ในทุกๆบทชนะคือการแต่งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะก็จะเป็นเหตุให้นะพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะความทุกขนะ์ที่มีอยู่ในจิตในใจได้นะ ไม่ฉันบินทบาตของชาวเวนแควนเปล่ปาจะป่วยล่าวไปใหญ่ถึงผู้กักทำให้มากซึ่งอานาปานาสตินันเล่าเยี่ยมมากก็ในพระสูตรนี้พระศาสดาก็ ดัดไว่น่าจะเป็นกําลังใจแก่พวกเราทั้งหลายว่าการจเจริญอนาปนานสตินั้นแม้จะเป็นเพียงชั่วระยะสั้นๆนะลัดนิ้วมือคือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นะพระตถาคตก็สรรเสริญแล้วว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานนะคือไม่ห่างจากสมาธิสี่ระดับแรกและปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจัตุตยาย <c oughs> ได้ทำตามคำสอนของพระา ส, สดาแล้วได้ปฏิบัติตามโอวาทแล้วนะถือว่าไม่ฉันบินบาบดของชาวแว่นแคว้นเปล่าดังนั้นพระที่บวชมานะวันหนึ่งอย่างน้อยจเจริญอาณาปานสติช่วงเวลารัดนิ้วมือเนี่ยนะพระา ส, สดาก็บอกว่าไม่ฉันบินบาบดของชาวแว่นแคว้นเปล่าละลุลงก็บอกว่าจะป่วยกล่าวปลายใหญ่ถึงเมื่อทาให้มากนะถ้าเราทามากก็ยิ่งดนะียิ่งเกิดประโยชน์ ก็พยายามเจริญอน า, าปานสติให้มากนะทำให้มากเราก็จะได้หายสงสัยนในธรรมวินัยที่ศาสดาได้บัญญัติเอาไว้พระอาจารย์ครับข อ, อกราบครับสาธยายธรรมน้าสิบบทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าอิทะตะถาคโตโลเกอุปชติ ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อลรหัง <c oughs> เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธตัศลุชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุลิสัทธ ร, รมาสารติ เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์านางเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาเป็นผู้มีความจำเรินจำแนกทำสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกังตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้ สัตเทวังสมาลังสาพรมกังสัตสัมณะพราหมณีกับทั้งเทวดามารพรมหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ปะชังสัตว์เทวมนุษย์สังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ สยังอภินยาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจฉิกตวะเปเวเทสิสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรมังเทเสสิตถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกรยานนงางไัยเลาะใน เบื้องต้นมัดเชกรยานงางไภรเละในถามกลางปาลิโยสานะไภเละปาลิโยสานะกรยานงางไภเละในที่สุดศาสถังสพยันชนังเกวารปลิปุลนางไปริสุดทางพรมมัจจริยังปะกาเสติ ทรงประกาศพมจันคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้วันนี้เป็นบทในเรื่องของโสตาปยังขัตสี่ความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าในบทนี้มักจะเอาไปเป็น ทำเป็นหนังสือสวดนะสัจชายะกัน <c oughs> หลายที่แต่ก็ไปแต่งเติมขึ้นนะไปปิดหัวต่อท้ายบ้างนะนี่ก็ให้เราแยกแยะในส่วนที่แต่งเติมขึ้นด้วย น, ะนันก็อยากให้ใช้บทเป็นชนะตรงๆนะอย่างในหนังสือสาธยายธรรมที่ แจกไปให้นะวันนี้ก็ว่าจะแจกหนังสือสะทายธรรมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เราจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับ บ, บทที่เขาสวดสวดกันบางทีก็มีแต่งเติมไปอย่างหนังสือที่ ที่เคยเจอรู้สึก อ, อยู่อยู่ในห้องงานทามาดูห <c oughs> นังสื อ, อวัดที่โคราช ท, ท่านก็เอา <c oughs> เอาหนังสือสาทยาธรรมไปไปช่วยเผยแผ่นะแล้วก็ทำปกใหม่แต่ไส้ในก็เหมือนกันหมดแต่ก็ไม่หมดทีเดียวนะ เราไปดูก็ปรากฏว่าด้านหลังหนังสือมีการเติมคำแต่งใหม่เข้าไปด้วยนะก็เลยาฝาดบอกพวกเราให้ใช้หลักมหาประเทศสีด้วยนะก็คือถึงแม้ว่าจะบอกว่าหนังสือพุทธวจนะก็ตามก็อย่าพึ่งเชื่อทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะมี คนที่ก็ปรารถนาดีนะแต่ก็เข้าใจผิดบ้างคาดเคลื่อนบ้างหรือคิดว่าพระสูตรที่ตนเองนั้น <c oughs> นํามาเป็นพระสูตรที่ถูกต้องนะก็ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง อ, อย่างหนังสือเล่มนี้ก็ข้างในเนี่ยเป็นข้างในเป็นของตามรอยธทมทั้งหมดนะ ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเราไม่มีนะทำไปตามสะดวกตามสบายนะจะทำขายก็ได้ไรก็ได้เพียงแต่เนื้อหาในหนังสือนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญนะเพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่ให้มีการเพิ่มเติมบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนกรรมของพระองค์ที น, ะทนี้พออ่านมาเรื่อยๆด้านหลังนะเขาก็จะมี ในเรื่องของคลีมนนทสูตรนะใส่เข้าไปแล้วบอกให้ส่งให้ดูอสุภะในในตนนะตรงนี้พอเราอ่านไปเนี่ยเป็นบทพันธนะที่แต่งใหม่เกือบทั้งหมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าตัดกับพระ อ, น, อนุนว่าดูก่อนอ น, อนุนเมื่อท่านไปถึงสำนักพระคลีมนนทแล้วท่านจงบอกสัญญา2ประการคือรูปสัญญาการนามสัญญา ซึ่งในพระสูตรจริงในพระแตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะที่เราปลิ้นออกมาตัวนี้นะบอกว่าดูก่อนอ น, อนนถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่พระคลิมนน์ภิษุไซข้อที่อาพาธของพระคลิมนนภิษิษุจะพึงสงบประงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี่สัญญาสองประการนี่สัญญา10ประการมันไปคนละเรื่องนะ และสัญญาสิประการตรงนี้มีอะไรสัญญาสิประการเป็นฉไหนคืออนิจจสัญญาหนึ่งอนัตตสัญญาหนึ่งอสุภสัญญาหนึ่งอธีนวะสัญญาหนึ่งปหานะสัญญาหนึ่งวิราคะสัญญาหนึ่งนิโรธสัญญาหนึ่งสัพพะโรเกอนาพิรตสัญญาหนึ่งสัพพโลเกนี้ก็คือความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงแล้วก็สัพพะสังคารีสุอนิจจสัญญาก็คือเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยง และอานาปาันาสติเป็นที่สิบนะดังนั้นทั้งเนื้อหาแล้วก็จำนวนของอสัญญานะที่กล่าวก็คนละเรื่องกันนะอันนี้ก็ให้เราทราบข้อมูลนะเผื่อว่าคงจะมีหนังสือที่เป็นพุทธศจนะออกมาอีกมากเรื่อยก็จะได้แยกแยะได้ถูกก็ไม่ใช่ว่าเป็นหนังสือแล้วจะถูกต้องทั้งหมดนะถูกก็มีผิดก็มีนะวิธีตรวจสอบล้วก็ ให้ไปแล้วนะก็คือถ้าใครมีพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่งตางๆเนี่ยก็โหลดอ e ีติปิตกะได้แล้วก็สามารถสแกนหาคำต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยมีคำสอนพระต ถ, ถาคตในมือของตอนเองครบถ้วนหมดซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะ0 0กว่าปีที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคเซาวินโศกนะมาถึงยุคทวาราดาวดีเข้ามาสู่รชาชกาลที่1ลอ1นะ นิมนพระสองร้อยกว่ารูปเนี่ยมาลอกพระไตรปิฎกใหม่ที่ยืมมาจากลาวและลามันด้วยอักษรขอมนะทุกวันนี้เก็บส่วนนี้ไวไ้ในหอบนเทียนธรรมที่วัดพรกแก้วรอ5ได้นำพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมเนี่ยมาแปลกลับเป็นอักษรไทยอักษรสยามใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นล้วทาเป็นรูปแบบหนังสือนะแล้วมหามกุฎมหาจุฬาก็มาแปลจัด ฉบับสยามรัฐมาเป็นพัะไตรปิกในตู้ทุกวัดตู้ประเทศที่มีอยู่ทุกวันนี้นะนั้นที่มาที่ไปของการทรงจําคําตถาคตเนี่ยมีที่มาที่ไปนะที่ผ่านมา2อ0 0ักว่าปีที่ยังไม่ยังไม่หายไปมากนะคำสอนแท้ๆที่เป็นพุทธวัฒนะยังมีอยู่นะก็ให้เราดูเพราะอย่างในนี้ก็จะแต่งในวลีคําพูดพระเจ้าด้วยว่าดูก่อนอานนท์แล้วก็แต่งเองอย่างนี้นะ จะมีหนังสืออย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะที่เรียนแบบวลีคำพูดผู้เจ้าพเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะแต่เป็นคำที่แต่งเองแต่ก็เพราะความไม่ไม่รู้ไม่ทราบนะก็หวังดีเจตนาดีบางทีก็เนื้อหามันก็เป็นธรรมะอยู่แต่บทพันธนะมันจะไม่ไปสอดรับกับคำของตถาคตนะซึ่งจะทำให้เป็นเนื้อไม้อื่นที่ทาเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลอง ซึ่งพระตถ า, าคตบอกว่านี่แหละคือเป็นเหตุของความอันตรฐานของคำผู้เจ้าจะค่อยๆหายไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆนะเราก็เลยพยายามให้ความรู้กันว่าคำสอนแท้ๆที่ถูกต้องเนี่ยที่หลักฐานสืบทอดกันมา 2,000 ันกว่าปีอยู่ที่ไหนนะแล้วก็กระจายหลักฐานเนี้ยให้เยอะนะทีนี้หลักฐานนี้ก็ให้ทราบว่ามันยังมีทั้งของจริงของปลอมอยู่ในนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีคาพูเจ้าทั้งหมดอยู่ในนั้น แต่ขณะเดียวกันพระไตรปิฎกก็มีคําที่แต่งใหม่อยู่ในนั้นด้วยนะ <c oughs> ในคําที่แต่งใหม่ก็มีหลายรูปแบบอีกนะแต่งในรูปแบบที่ตรวจยากนะวิเคราะห์ไม่ค่อยออกไม่แน่ใจจนกระทั่งในระดับที่ตรวจได้นะอย่างนีนะ้นั่นก็ค่อยๆแยกแยะเราก็พยายามแยกแยะตรงนี้มาดูหนังสือพุทธวจนะเล่มใหญ่โดย <c oughs> เราก็พยายาม ดึงพุทธวจนะออกจากพระตัปิดกออกมานะอย่างท่านพุทธทาสก็เคยทํามาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ทําได้แค่ส่วนอริสัต4ก็จะได้มาจํานวน5เล่มนะเมล่มละประมาณ 1,000 กว่าหน้านะเล่มใหญ่ๆ5้าเล่มอย่างที่วางอยู่ข้างหน้าของอวุโสม ส, โสมศักดิ์อวุโสสมศักดิ์ของหนังสือข้างหน้านิดนึง อันนี้คือหนังสือที่ท่านุทาทเคยทำมานะซึ่งเป็นการดึงคำพระศาสดาออกมานะในชีวิตท่านก็ทำได้ห้าเล่มนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์สูงมากเพราะทำเฉพาะด้านอริสัต4ทสีทำให้มีเท่ากับว่ามีคนรวมนะหลักทำคำสอนของาศาสดาที่เกี่ยวข้องกับอริสัตยีปฏิจจสุบาตคืออริสัตยสีโดยละเอียดเอาไว้อย่าง ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์90กว่าเปอร์เซ็นตะ์ของเนื้อหาซึ่งเราชาวพุทธศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะจะมีสองเล่มใหญ่ขนาดนี้นะเป็นอริสัตแล้วก็ปฏิจจสุบัติหนึ่งเล่มใหญ่อย่างนี้แล้วก็พุทธประวัติที่พระองค์เล่าด้วยพระองค์เองอีกหนึ่งเล่มใหญ่อย่างนี้แล้วก็ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะตอนนี้เนื่องจากคำพระศาสดาไม่ได้มีแค่นี้ คำพระสัสดาจะมีทั้งหมดนะจริงๆแล้วจะมี33เล่มนะที่ถืออยู่นี่นะเราก็เลยเนื่องจากยังไม่มีใครทาในโลกนะเราก็เลยพยายามทําขึ้นน ะ, ะแล้วก็เพื่ อ, อความถูกต้องและการตรวจสอบได้เราก็เลยทําภาษาบาลีเข้าไปด้วยก็จะเป็นภาษาไทยหน้าบาลีหน้า ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นบาลีด้านขวาเป็นภาษาไทยบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้านะเพราะนั้นถ้าเร า, เาต้องการรู้ว่าบาลีใช้อะไรเราก็ดูได้เลยในคู่หน้าเดียวกันเนี่ยหัวข้อจะตรงกันทั้งหมดนะหัวข้อตรงกันอยู่ในคู่หน้าเดียวกันนะถ้าการแปลเว้นวรรคความหางอะไรไม่เท่ากันเราก็ปล่อยว่างปล่อยกระดาษว่างไว้นะแล้วก็ไปขึ้นหน้าใหม่เลยเพื่อให้ หัวข้อมันตรงกันในคู่หน้าเดียวกันจะได้สะดวกไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะแล้วต่อไปก็คงจะบรรจุอันนี้ลงในพวกแท็บเล็ตนะมือถือซึ่งจะทำให้ในระบบของแอปพลิเคชันให้เขียนโปรแกรมเข้าไปแบบนั้นเพื่อให้เราดึงข้อมูลนี้ไปได้ทั่วโลกนะเราอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนี้ไปได้แล้วก็อ่า น, านได้ตั้งไว้นี้ หนังสือนี้ก็จะเรียกว่าหนังสือพุทธวัชะน ะ, นะะพุทธวัชะคือคำของตถาคตคำที่ออกจากปากตถาคตจะมีสองกลุ่มคือธรรมะกับวินัยนะวินัยเนี่ย <c oughs> มาบัญญัติทีหลังเพื่ อ, อให้เกิดให้เกิดความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะเหตุแห่งการบัญญัติวินัยจะมี10ประการ นั่นเพื่อข่มภิกษุที่ว่ายากสอนยากนะเพื่อให้เขาเนี่ยปรับตัวเข้ามาสู่สิ่งที่ถูกต้องนะเพื่อความตั้งมั่นพระสัทธรรมนะเพื่อความที่อนุเคราะห์พรหมจรรย์การประพฤติธปฏิบัตินะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะเพราะนั้นการบัญญัติวินัยจะมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะองค์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งพระสารีบุตรเป็นคน ทูลเรัตนาขอให้ผู้เจ้าบัญญัติวินัยเพราะถ้าไม่บัญญัติวินัยไว้เนี่ยแค่หนึ่งหรือสองชั่วคนศา ส, สนาก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วนะเหมือนพระศาสดาองค์ก่อนๆที่ไม่ได้บัญญัติวินัยนะแค่คนผ่านไปหนึ่งหรือสองชั่วคนศา ส, สนาก็หายหมดละเพราะต่างคนต่างทําต่างคนต่างบัญญัติใหมนะ่เนื่องจากไม่มีวินัยพระศัสดา บางรูปเนี่ยไม่ได้บัญญัติวินัยแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้ า, าในยุค น, น, นั้นไม่ได้บัญญัติวินัยนะส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าอายุของมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยอายุยืนมากเช่นอายุ 80,000 ื่นปะีในยุคนั้นเนี่ยพุทธเจ้าองค์นั้นก็เลยไม่ได้บัญญัติวินัยเพราะแค่สองชั่วคนก็แสนห0 0มืแล้วก็นะ <c oughs> ยาวนานมากแล้วนะแต่ผู้เจ้าของเราเนี่ยมาเกิดในมนุษย์อายุร้อยปีสั้นมากพระองค์ก็อาศัยเหตุตรงนี้บัญญัติวินยัยปุ๊บเนี่ยศา ส, สนาก็ตั้งมั่นอยู่ไปได้หลายชั่วคนไปเรลยๆนะ <c oughs> นี่ก็คือประโยชน์นะของวินยัยดังนั้นคําของพระศาสดาก็คือธรรมะกับวินยัยนะต่อไปอาจจะมีหนังสือธรรมะกับวินัยขึ้นมาก็ได้นะที่เป็นพุทธวจนะก็ใช้ อีกคำอย่างนี้ก็ได้ธรรมะวินัยนะอาจอารย์คะขอถามค่ ะ, คะท่องพัสดุ์ผู้ฉลาดในเรื่องวิปากแห่งกรรมหนูท่องเป็นภาษาอังกฤษส่วนน้องน้องชายจะท่องเป็นภาษาไทยนะคะอ๋ออ๋อได้ได้ได Not by birth does one become a brahman. Not by birth does one become a non-brahman. By action one b e c o m e a brahman. By action one b e c o m e a non-brahman. By action one b e c o m e a farmer. By action one b e c o m e a a craftsman. By action one b e c o m e a merchant. By action one b e c o m e a servant. By action one b e c o m e a thief too. By action one b e c o m e a hunting man, a fighting man. By action, one become a sacrificer. By action, one become a king too. t h u s the wise s e e i n g conditional origination, knowing the fruit of action, see this action as it really is? By action, the world goes on. By action, people goes on. Being h a v e action as they're a born, as a listening, i s the born of the c h a r l o t as it goes along. Mm. บุคคลเป็นพามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะมิใช่พามเพราะชาติกำเนิดก็หามีได้บุคคลเป็นพามก็เพาะกรรมไม่เป็นพามก็เพาะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพาะกรรมเป็นศิลปินก็เพาะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพาะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพาะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพาะกรรมเป็นนักรบก็เพาะกรรมบุคคลเป็นปู่โลฮิตก็เพาะกรรม แม้เป็นพระราชากรเพาะกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบารแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องดึงรัดเปียเหมือนริ่มสลักขันยึนดรถที่กําลังแล่นไปอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ อย่างพระธรวมดกเนี่ยก็จะกระจายไปเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนะเพราะว่าภาษาบาลีหรือภาษาที่พู้เจ้าใช้เนี่ยนะก็สามารถนำไปลงเป็นอักษรได้ทั้งหมดนะเป็นคำพูดนะในภาษาอังกฤษที่ท่องเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแต่งใหม่อก็ใช้จาก b a l ีเทค Society นะสมาคมบาลีประกรบของประเทศอังกฤษเกานะ คำพระศาสดาไม่ว่าเราจะไปเจอที่ไหนก็ตามจะตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะอย่างล่าสุดที่ไปเจอในถ้ำในอัฟก า, านิสถานนะที่เป็นเศษสร้สางใบลานแล้วนักโบราณคดีไปเจอนะแล้วมีการเขียนอักษรลงในใบลานก็เลยอเอามาเรียงต่อกันพยายามต่อกันเป็นแผ่นใบลานปรากฏว่าแปลออกมาเนี่ยมันตรงกันกันกบพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของเรานะในเรื่องของการสอนเรื่องอบายมุข6 นะการที่ขบดีบุตรไม่เสพทางเสื่อมแห่งโพรคาหกทางนะคือการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยการเที่ยวตามตอกซอกซอยในเวลาวิการการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการเล่นการพ น, นันการคบมิดชั่วความเกียดคร้านอย่างนีนะ้ก็จะเห็นว่าคำพระศาสดาเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยสองพกว่าปีเนี่ย แผ่ภัสารไปทั่วโลกจะไปอยู่ในถ้ำในภูเขาในอะไรเนี่ยคนก็เก็บเก็บเก็บเก็บกันเอาไว้น ะ, <c oughs> ะพระสูตรที่ได้สาธยายมาเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยก็เป็นเหตุมาจากการที่ภาลัทวาชะและวาเสษถะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของของพรามสองคนต่างคนต่างมีชื่อเสียงทั้งคู่ภาลัทวาชะก็เป็นลูกศิษย์ของพรามที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง วาเสตฐะก็เป็นลูกศิษย์ของพรามที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งต่างคนต่างไม่ลงกันในเรื่องของกรรมว่ากรรมเกิดจากอะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่กรรมเกิดจากอะไระความเป็นพรามเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นพรามเพราะชาติกาเนิดอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นพรามเพราะกรรมนะต่างอาจารย์ต่างก็ยืนยันความเห็นตัวเอง ลูกศิษย์สองคนนี้เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าตกลงแล้วพระพเจ้าคิดว่าคนเราเป็นพรามเพราะอะไรนะทีนี้พูะเจ้าก็เลยไล่เลียงมาเลยนะตั้งแต่ต้นไม้สัตว์มาคนบอกต้นไม้เนี่ย <c oughs> มันเรียกชื่อต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะชาติกำเนิดของมันแหละมเมล็ดมันนะพอมันโตมาเป็นไม้เถาบ้างไม้เลื้อยไม้ยืนต้นไม้อะไรอย่างนี้นะ แล้วก็พระองค์ก็แจกแจงแจกแจงไปแล้วก็บอกว่าสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์4เท้า2เท้าสัตว์ที่ใช้อกเดินนะเลื้อยไปอย่างนี้อันนี้ก็เพราะชาติกําเนิดมันจึงมีชื่อเรียกอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้พอมาถึงคนเนี่ยผู้จ้าก็บอกว่าคนเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนกันนะมันเรียกต่างกันเพราะชื่อนะหรือเพราะการงานอาชีพบัญญัติออกมานะ ว่าจริงๆแล้วการเป็นพรามณ์หรือเป็นพรมเนี่ยเป็นเพราะกรรมนะไม่ใช่เป็นเพราะชาติกําเนิดนะแล้วก็เลยบอกไปถึงว่ า, เ, าเราทั้งหลายเนี่ยจะเป็นพระราชาเป็นพ่อค้าเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เพราะกรรมตั้งสินนะเพราะพวกเราเนี่ยเคยทําเหตุปัจจัยทางกายวาจาจิตอย่างนัน้นมาก่อนนะจิตก็โน้มเอียงไปตามนั้นคิด คิดปรุงแต่งคิดมาอย่างนี้แล้วก็เชื่อแล้วก็ชอบไปตามเหตุปัจจัยตรงนั้นนะก็เลยทําไปอย่างนั้นนะ <c oughs> อันนี้พระองค์ก็อธิบายเรื่องกรรมไว้ละเอียดมากพระสูตรนี้น่าน่าไปอ่านนะได้ความละเอียดละอ่อนนะพระรัตวาชากรวาเสตาก็เลยมีความศรัทธาในพระศาสดาซึ่งตอนหลังก็ได้มาบวชในพระธรรมวินยัยนะ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการบัญญัติอีกหลายๆอย่างนะสำเร็จเป็นพระหรหลานมีฤทธิ์มากนะอย่างพาราทวาช้าก็ได้ไปแสดงฤทธิ์ในเมืองแล้วก็ถูกผู้เจ้าตําหนะิแล้วก็เลยผู้เจ้าเลยบัญญัติเรื่องการห้ามแสดงฤทธิ์นะ <c oughs> ซึ่งภาลาทวาช้าก็ยอมรับโดยดีนะไม่มีคําโต้แย้งอะไรนะในความเป็น พระอริบุคคลเนี่ยจะมีความเคารพยำเกรงในพระาศาสดาเป็นอย่างยิ่งนะจะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆนะะเอ่อ า, ารัตวาชะกวาเศษทะนะเมื่อได้ฟังพระาศาสดาก็มีความศรัทธาเริ่มใส่นะมีความเริ่มใส่ใน พระตถาคตนะได้มาบวชในสำนักพระสาสดาพระสาสดาก็ได้บอกว่าเนี่ยพวกเธอมีชื่อมีสกุลนะมีโคตรต่างกันออกบวชมาจากวันนะต่างกาันะตระกูลต่างกันเนี่ยเมื่อถูกเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครนะเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรนะก็ได้มาเป็นการบัญญัติในเรื่องการเรียกชื่อว่า ที่ห่มผ้าอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยเมื่อถูกข้อถามเนี้ยเราจะตอบเขาว่าอย่างไรผู้เจ้าให้ตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะนะสมณะคือนักบวชนะนักบวชในสักยตระกูลนี้นะสมณะสักยะปุตติยะเป็นบุตรของนักบวชในสักยะตระกูลปุตติยะก็คือบุตรนะสมณะสักยะคือตระกูลของผู้เจ้าปุตติยะก็คือบุตรนะบุตรของนักบวชในสักยตระกูล ดังนั้นพระทุกรูปเนี่ยจะเหมือนกันหมดก็คือเราจะเป็นลูกศิษย์พระาตาขากดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากของาตาขากดปากผู้เจ้าเนี่ยพูดคําพูดคืออนุสาสนีปฏิหารออกมาแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติตามนะแล้วก็ได้สําเร็จมรรคผลนิพพานด้วยคําพูดนะคําพูดจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีดังนั้นคําพูดที่ออกจากปากตถาคตจึงเรียกว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหาร ปฏิหารที่เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยปฏิหารนะนั้นพระทุกรูปเนี่ยเหมือนกันหมดเสมอกันหมดนะแต่เมื่อหลังจากผู้เจ้าปรินิพานแล้วก็บัญญัติในเรื่องของพรรษานะให้เคารพกันตามพรรษาแต่ในแต่ละพรรษาจะเป็นแก่อ่อนก็ตามเวลามีการประชุมสงฆ์กันแล้ว ถึงจะเป็นพระหรหันต์หรือพระบทใหม่ทุกคนมี1เสียงเท่ากันหมดนะเวลาประชุมและต้องออกเสียงอย่างนี้นะอย่างเช่นการใช้เยปุยสิกานะตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณนะเวลาประชุมส่งแล้วใช้สมมุขาวินยัยประชุมกันแล้วไม่ลงตัวก็จะใช้เยปุยสิกาคือใช้เสียงข้างมากพระนก็1เสียงพนะระใหม่ก็หนึ่งเสียงคนละหนึ่งเสียงทั้งหมดอย่างนี้นะจเจ้าให้ใช้ระบบระบบส่งนะเป็น เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะแต่ตัดสินตามธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นะก็ให้ทราบที่มาที่ไปนะของพระสูตรอันนั้นที่ได้สาธยายไปนะ เ, เดี๋ยวจะให้เราฟังพระสูตรสักพระสูตรหนึ่งเป็นความสามารถของอพระศาสดาแต่าทาให้เราทราบว่าทําไมจะต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์มีความสามารถอย่างไร นะซึ่งเป็นสิ่งที่สาบกเนี่ยทำไม่ได้นะหรือทําได้เหมือนบ้างแต่ไม่ครอบคุมทั้งหมดนะทำได้บ้างในบางส่วนอย่างนี้นะก็เดี๋ยวตั้งใจฟังคําสอนจากพระโอษ์ขอการนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า141เรื่องทรงมีเวสารัชยานสีอย่างภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เป็นเวสารัชยานสีอย่างของตถาคตที่ตถาคตประกอบพร้อมแล้วปฏิญญาณตำแหน่งแห่งจอมโลก บรรเลืีหานาถประกาศพรมจักรในท่ามกลางบริษัททั้งหลายได้สี่อย่างคือหนึ่งท่ า, าคตไม่มองเห็นวิแววช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกจากโยจทวงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่าทำเหล่านี้เหล่านี้อันท่านผู้ปฏิญญาณตน เป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่ไม่ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตเมื่อมองหาไม่เห็นวิแววอ น, นันจึงเป็นผู้ถึงความกเกษมถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้สองตถาคตไม่มองเห็นวิแววช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพ มานพรมหรือใครๆในโลกจกโจทวงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่าอาสวะเหล่านี้เหล่านี้ของท่านผู้ปฏิญาณตนเป็นขีณาสุผู้สิ้นอาสวะอยู่อย่างไม่สิ้นรอบแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายทถาคตเมื่อมองหาไม่เห็นวิแววอันนั้นจึงเป็นผู้ถึงความกเกษม ถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้สาทห a k a ไม่มองเห็นวิแววช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะโจด ท, ท้องเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่าทำเหล่าใดที่ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมทําอันตรายแก่ผู้เซธรรมเหล่านั้น ถึงเมื่อบุคคลเสพอยู่ก็หาอาจทำอันตรายไม่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตเมื่อมองหาไม่เห็นวิแววอันนั้นจึงเป็นผู้ถึงความบะเซมถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้ 4. ตถาคตไม่มองเห็นวิแววช่องทางที่จะมีว่าสมณะหรือพรามณ์เท มานพรมหรือใครๆในโลกจะโจทววงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์นั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกโดยชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติธรรมแก่บุคคลผู้ประพฤติตามธรรมนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตเมื่อมองไม่เห็น วแววอันนั้นจึงเป็นผู้ถึงความหมดเสมถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นเวสารัชยานสี่อย่างของตถาคตอันตถาคตประกอบพร้อมแล้วปทิญญาตำแหน่งจอมโลบรลลือสีหานาถประกาศพรมจมรร์ให้เป็นไปในถ้มกลางบริษัททั้งหลายเอวัง